ก็นอบน้อมพระรัตนตคุณพรรพุทธคณพระธรรมณพระสงฆ์ขอโอกาสเพื่อธรรมมีทุกท่านนะเนาะเจริญธรรมไมชีแล้วก็ยาติธรรมทุกคนน ะ, ะนั่งกันตามสบายเนาะวางวางร่างกายเนาะให้สบายให้มีความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ เป็นธรรมชาตินะเป็นเป็นสิ่งสำคัญเลยนะหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อคำเขียนถ้าก็เน้นเลยนะให้วางกายคลา ย, ายนะกายในการนั่งกายในการเดินอายในการหายใจอายในการยกมือเคลื่อนไหวนะ ให้เรารู้สึกว่าทาให้มันผ่อนคลายนะรวมทั้งการวางใบหน้านะรวมทั้งการวางไหลนะ่ทุกๆอย่างนะให้เราคอยสังเกตดูนะบางทีถ้าเราตั้งใจมากนะถ้าเรามีความอยากมากนะบางทีมันจะมีความความตึงความเกรนะ็งความเครียดนะ ที่มันผ ส, สมขึ้นนะมันก็จะก่อออกไปทางสู่ร่างกายของเราด้วยนะถ้าเรากลับมาสังเกตเห็นเออช่วงช่วงนี้ใบหน้าเราตึงเครียดนะช่วงนี้มันมันตั้งใจเกินไปแล้วก็เออก็ปรับนะแล้วก็ปรับมาสู่ความสมดุลนะร่างกายมันก็ผ่อนคลายขึ้น ที่จริงการพอเราเห็นร่างกายส่วนใดมันเครงส่วนใดมันเครียดนะมันก็ย้อนกลับมาเห็นจิตเนี่ยแหละนะอ๋อจิตมันจิตมันตึงเครียดจิตมันอยากจิตมันเพ่งจ้องเกินไปนะแล้วก็เนี่ยดูกายมันก็เห็นจิตนะนะเพราะมันก็สัมพันธ์กันนะมันสัมพันธ์กันถ้ากายมันเคร่งเครียดเพ่งจ้องนะก็เกิดจากจิตเนี่ยแหละนะแต่บางคน บางทีใหม่ๆนะร่างกายอาจจะยังไม่เกรงมากอแต่บางทีมันมีความอยาก ม, มีความต้องการที่จะรู้อยากจะเห็นอะไรนะเกิดขึ้นในจิตใจนะบางทีบางคนเห็นจิตใจได้ก่อนก็เห็นจิตใจนะมันก็จะทำให้การปฏิบัติธรรมมันก็ผ่อนคลายขึ้นนะอันนี้หลักสําคัญนะนะ ให้เราวางกายแคลายนะวางใจกลางๆงนะไม่เพ่งนะไม่จ้องนะเนี่ยเราบางทีแต่บางทีวางคลายเกินไปสบายเกินไปอาจจะฟุ้งซ่านมาก <c oughs> อฟุ้งแล้วก็ไหลไปกับความคิดได้มากนะก็ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะหรือบางทีนะ มันก็แบบรู้แบบไม่ชัดเจนรู้เหมือนไม่รู้มันมันรู้แต่มันตัวรู้มันไม่เด่นนีอันนี้คือมันบางทีมันมันเบลอไปหรือว่ามันความรู้มันมันหลงๆเนาะบางทีอย่างเช่นง่วงนอนเนี่ยบางทีก็ซึมก็ง่วงก็รู้อยู่บ้าง แต่มันก็ไม่ตื่นขึ้นมาออกจากความง่วงแต่ทีมันคล้ายๆมันถูกความง่วงครอบงำนะตัวรู้มันก็ออกมาได้นิดๆหน่อยๆ ห, หรือบางช่วงฟุ้งซ่านมากนะ เ, เหมือนบางทีความฟุ้งซ่านมากตัวรู้ก็น้อยนะก็มีอันนี้คือบางทีมันพอมันผ่อนคลายมากเกินไปหรือมันอยู่ในความเคยชินเก่าๆมาก มันก็จะออกไปทางความฟุ้งนะหรือว่าความเบลอนะหรือว่ามันไม่มีความชัดเจนนะอันนี้ก็ความสุดตรงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะนะสุดโตรงแบบหนึง่งจริงจังเพ่งจ้อง อ, อยากได้อยากมีนะอีกส่วนหนึ่งก็นะรูไม่ชัดเจนนะหรือเข้าไปไในความคิดนะ เข้าไปอยู่ในอารมณ์นะเราจะทำอย่างไรละ่ะนะมาถึงจะอยู่ตรงทางสายกลางอยู่ตรงความพอดีนะนะ่นะถ้าเราสร้างจังหวะนะนะเคลื่อนไหวให้เป็นจังหวะนะเพราะว่าธรรมชาตินะถ้าเราไม่มานั่งสร้างจังหวะมันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่มันค่อนข้างเป็นต่อเนื่องเนาะนะนะ ต่อเนื่องอย่างเช่ น, นเราทําอียาวดอะไรต่างๆมันจะไม่ค่อยมีจังหวะหยุดที่มันมันชัดเจ น, นแต่ถ้าเรามาฝึกสร้างจังหวะมันก็จะเป็นเป็นการสร้างความรู้สึกตัวทีละครั้งมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นว่าอ๋อเคลื่อนดูละหยุดแล้วก็เคลื่อนใหม่รูใหม่เคลื่อนใหม่ รู้ใหมนะ่หรือบางทีจังหวะมันก็รู้เป็นชัดทีละครั้งนะเช่นพลิกมือเนี่ยมีการเคลื่อนะนะยกมือก็เคลื่อนละมาวางลงที่ท้องนะมันก็เคลื่อนละหรือบางทีมันก็รู้ทั้งการสัมผัส ด, ด้วยนะบางทีเนะี่ยร่างกายเช่นมือสัมผัสลงที่ขาลงที่ท้องนะเลื่อนขึ้นที่หน้าอกเนะี่ยบางทีบางคนอาจจะรู้ตอนเคลื่อนไม่ชัด แต่มันรู้ตอนสัมผัสชัดอันเนี้ยมันก็เป็นการทำให้เรารู้สึกตัวได้ชัดขึ้นนะบางทีถ้ามันเคลื่อนลอยไปเรื่อยบางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เราต้องพยายามาทำให้มันชัดขึ้นสักหน่อยนะโดยอาศัยการจังหวะให้มีการามีการเคลื่อนมีการหยุดที่ชัดเจนนะ อ, อย่าทำเป็นแบบ ทำให้มันเสร็จไปรอบๆหนึ่งนะทำไปเหมือนว่าเราได้นั่งปฏิบัติอยู่แต่จริงก็ต้องพยายามเนะสร้างตัวรู้ให้มันเด่นทีละครั้งแต่ก็ต้องเพียงแค่ระวังว่าอืมอย่าไปเพ่งจ้องมันมากไปนะอย่าไปจริงจังมันมากไปอันนี้แหละคือความพอดีที่เราอาจจะต้องเรียกว่าต้องเรียนรู้ดูนะต้องเรียนรู้อมันบอก มันบอกไม่ได้หรอกว่าพอดีมันคือแบบไหนแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราก็เรียนรู้ดูนะถูกผิดนะเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละนะใครจะดูให้เราเราก็ดูตัวเองนั่นแหละนะดูว่าเออถ้ามันทำพอดีแล้วนะมันจะรู้สึกผ่อนคลายมันจะรู้สึกเบาสบายแต่มันก็มีความรู้ที่ชัดเจนนะนะในใจว่าเออกำลัง รู้สึกอะไรอยู่นะไม่ว่าจะเป็นร่างกายนะมันมันเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกที่มันมันไม่ต้องพูดก็ได้นะมันเป็นแค่ความสัมผัสความรู้สึกนะที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบันนาธรรมนะปัจจุบันตรงนั้นทาอะไรนะใจก็รู้สึกอยู่กับตรงนั้นแหละ น, ะนี่คือเราสัมผัสให้มันชัดเจนนะ ในอิเดียบทที่เราปฏิบัติในรูปแบบก็ดีนะหรือนอกรูปแบบมันยิ่งหลงเยอะนะเพราะว่ามันเคยชินนะแปรงฟันล้างหน้ากวาดบ้านถูบ้านนะเดินเข้าห้องน้ำลุกขึ้นนะนั่งลงเลยนยบางทีความเคยชินที่เราทำมาหลายปีนะมันก็พาเราลุกพาเรานั่งนะ พาเรากินไปคิดไปอะไรนะเนี่ยเราจะทําไงถึงจะมีสตินะก่อนนะก่อนลุกก่อนนั่งลองตั้งสติก่อนเ อ, อย่าเพิ่งรีบนะกำหนดรู้ก่อนว่าถึงเวลานะจะต้องลุกนะกำหนดรู้ก่อนตั้งสติก่อนตั้งหลักใหม่ก่อนคราวนี้ค่อยๆลุกไปมันจะมีสติอ เดินจงกรมพอสมควรปวดเมื่อยถึงเวลานะจะเปลี่ยนท่ากำหนดดูก่อนอยืนนะยังมีสติกักลบลงมานั่งอะไรแบเนนะีนะ้หรือปวดนะหนักปวดเบาจะเข้าห้องน้ำนะบางคนรีบนะปวดมากปวดมาก <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะนะบางทีก็เลยขาดสติตั้งแต่ตอนลุก ตอนรีบไปเข้าห้องน้ำเพราะใจเราบักไม่ไหวแต่จริงถ้าดูดีๆนะวิสติดีๆนะดูแล้วว่าปวดตั้งสติพอเราตั้งสติเราก็ลุกขึ้นเืนมีสติเราเดินไปก็ไม่ได้ช้าเกินไปไม่ได้เร็วเกินไปนะสติมันก็จะต่อเนื่องทั้งอิริยาบถ ท, ที่เราทำในรูปแบบ ทังนียบทที่เราทํานอกรูปแบบเนะี่ยมันเราต้องคล้ายๆกําหนดความตั้งใจนะเพื่อนะในขณะที่เปลี่ยนเนื้บทมันจะได้ไม่หลงนะแต่บางทีมันอาจจะหลงบ้างแต่ถ้าเราตั้งตั้งหลักใหม่บ่อยๆนะตั้งเนี่ยแหละแต่เปลี่ยนเนื้บทหรือแม้แต่บางทียกมือก็ดี เดินก็ดีบางทีมันทำไปแล้วมันมันฟุ้งซ่านมากหรือมันเบอร์เบอร์ไม่ชัดเจนเลยวางไว้ก่อนนะวางมือไว้ใหม่มปรับท่าปรับทางเออนั่งตั้งหลักใหม่ดีสิเออนั่งให้มันสบายก่อนสิอ่ะคราวนี้เขาค่อยมาเริ่มอ่ะรู้นะรู้นะรู้ใหม่เนี่ยคล้าย ตั้งหลักใหม่อย่าอย่าทำจะทำแบบสักแต่ว่าทำนะบางทีมันถ้าสักแต่ว่าทำแบบไม่เข้าใจทำจริงๆอ่ะมันก็มันก็ทำแบบฟรีๆเฉยๆเนาะเอนะมันจะเป็นยกมือฟรีๆเดินฟรีๆนะกินฟรีๆนะนอนฟรีๆนะก็คือทำแบบไม่มีความรู้ตัวนะเราต้องตั้งหลักใหม่นะ บางคนอาจจะตั้งหลักง่ายๆอ้าเปลี่ยนท่าอ่ะหายใจรู้สึกนะสี่ห้ารอบอ่าตั้งหลักได้แล้วนะมาเคลื่อนไหวใหม่นะหรือบางทีก็ตั้งดลักใหม่ออบางทีเปลี่ยนนะเดินจงกรมอยู่นะเปลี่ยนเปลี่ยนดักไปดูที่ตาอ้เมองมองต้นไม้นะ จิตก็มีสติในการเห็นนะมันเปลี่ยนดักไหมละเออมันได้ผ่อนคลายขึ้นแล้วก็มันรู้ตัวในการเห็นละพอเห็นแล้วก็มาดูมีสติในการเดินต่ออันนี้คือบางทีเราก็แค่เปลี่ยนนะเพราะว่าสติจริงมันก็เกิดได้หมดเลยน ะ, นะตาเห็นรูปจิตอยู่กับการเห็นตรงนั้นนะมันก็มีสติละนะ แต่เราไม่ใช่ว่าเห็นแล้วไปคิดต่ออะไรแบบนี้นะอ่าก็เห็นก็เห็นนั่นก็เรียกว่ามีสติละหูจะยินเสียงอ่าก็มีสติละถ้ามีสติเฉยๆมันก็ไม่ปรุงต่อเนาะอืมแต่ถ้ามันจะปรุงต่อเราก็รู้ทันมันนะรู้ทันมันหรือบางทีลมกระทบสู่ร่างกายนะอโอเนี่ยมันก็เป็นสติที่เราไม่ต้องสร้างนะมันเกิดเองนะ เกิดเองเราก็รู้เราก็รู้ได้สับปับอะไรนะบางทีเนะี่ยยกมือสร้างจังหวะก็ดีเดินจะกมก็ดีเนะี่ยมันมีความรู้สึกเข้ามาแทรกเข้ามนเองนะนะใหม่ๆเนะี่ยบางทีเราว่าเรารู้ตอนเคลื่อนนะสิบสี่จังหวะแต่ถ้าคนที่ฝึกมากขึ้นนะเคลื่อนก็รู้นะหยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้ รอบหนึ่งก็รู้ก็ยี่สิบปดครั้งนะเพราะว่าอะไรรู้ทั้งเคลื่อนรู้ทั้งหยุดนะแต่ตอนหยุดไม่ต้องจงใจให้มันนานเกินไปหรือว่าไม่ไม่ต้องไปคอยแบบเอาจิตเราไปแช่กับการหยุดนะเป็นการรู้แล้วก็วางนะนะมันเป็นการรู้ทีละครั้งอะเคลื่อนดูแล้วหยุดดูแล้วนะเคลื่อนใหม่รู้แล้วหยุดใหม่รู้แล้วคำว่าดูแล้วก็คือ ดูแล้วก็ทิ้งแต่ถ้าบางทีเราไปประคองตัวรู้ไวเนี่ยมันแบบดูแบบไม่ทิ้งเลยทนอยากจะรู้แบบต่อเนื่องแต่มันจะเป็นต่อเนื่องแบบที่ตรงงพาะเทียนท่านบอกว่ามันเป็นความต่อเนื่องแบบเด็กเส้นมันแข็งมันทื่อเมันจงใจมันประคองบางคนคิดว่าเนี่ยเราต้องรักษาตัวรู้ไวนี่อย่าให้ตัวรู้มันหายให้มันต่อเนื่องไป แต่บางทีมันเป็นเหมือนเด็กเส้นนะเด็กเส้นแต่จริงกอนมาว่าบางทีอาจจะคล้ายแบบพวกพวกได้มาด้วยนะบางทีพวกได้ะมันยาวต่อไปแต่จริงมันเปาะบางนะมันมันเหมือนมันเหมือนจิตมันต้องพยายามรักษานะเหมือนจิตมันต้องพยายามประคองนะกลัวมันจะขาดกลัวมันจะหายนะมันเหนื่อยนะถ้ารู้แบบนั้นแต่จริงถ้าถ้ารู้แบบดูแล้ว ดูแล้วรู้จบรู้ทีละครั้งเนี่ยมันง่ายเนี่ยเมื่อกี้มันโดงก็ช่างของมันเลยชักโดงก็ตั้งใหม่เออเรามีการเคลื่อนใหม่อยู่นี่ไม่เป็นไรนะแล้วก็อาศัยการเคลื่อนใหม่ก็ดูใหม่เนี่ยเนี่ยมันจะรู้นะมันจะรู้ทั้งเคลื่อนดูทั้งหยุดหรือบางทีมันก็แทรกนะบางทีนั่งเฉยๆนะก็รู้สึกลมหายใจของมันเอง หรือบาทีก็รู้สึกขนาดที่แทะขนาดที่ทำในรูปแบบนั่นแหละหรืออย่างที่บอกบางทีมันก็มีความแทะมีลมกระทบ้ามานะอันนี้สิ่งที่มันละเอียดขึ้นมันก็จะรู้สึกได้ได้บ่อยขึ้นหรื อ, อยิ่งจิตมันตั้งมั่นขึ้นมันละเอียดขึ้นเสียงมากระทบนะนะมันไม่ใช่เป็นความรำคาญแต่มันเป็นความรู้ตัวนะพอเกิดเสียงขึ้นนะ จิตมันเข้าไปรู้นะถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นน่ะมันจะเสียงเกิดขึ้นมันจะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจนะแต่ถ้าเรามีสติเสียงก็เป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการรู้ตัวนะมีเสียงกระทบอ่านรู้แล้วอถ้าใจปรุงชอบชังอ่ะก็รู้นะก็ก็เป็นอุปกรณ์นะอะแล้วยิ่งถ้า ใจเราตั้งมั่นสมาธิสติดีเนี่ยเสียงได้เล็กน้อยนะก็ได้ยินนะแต่ได้ยินแต่ไม่ใช่ว่าไปสนใจไข่รู้ว่ามันมาจากไหนว่ามันมีความหมายอย่างไรออก็แค่รู้รู้ว่ามันเกิดขึ้นอันนี้คือมันก็เป็นสติมันก็จะเห็นว่ามันมันก็รู้ของมันเองนะอะไรที่มันเด่นในตอนนั้นนะ มันก็เข้าไปรู้เองอะไรที่มันไม่เด่นมันก็มันก็ไม่ได้สนใจ น, ะนั้นนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงโพธัพพธรรมารม่ยมันเป็นเป็นมันอายตนะภายในภายนอกทั้งหกเนะี่ยมันมีอยู่แล้วในตัวเราที่จริงมันก็คือช่องทางในการรู้สึกตัวนั่นแหละ แต่ถ้าคนใช้ไม่เป็นก็เป็นช่องทางในการหลงอันนี้ยเหมือนเหมือนมันเป็นช่องเดียวกันนันนะเหมือนประตูนะประตูเพื่อเข้ากับประตูเพื่อออกก็บ้านเดียวกันนั่นแหละนะเหมือนเรามีบ้านนะประตูที่เราออกบ้านก็ประตูเดียวกันนั่นแหละประตูที่เราเข้าบ้านก็ประตูเดียวกันนั่นแหละนะแต่ถ้าเราออกบ้านไปอยู่กับความคิดนงะ นะเหมือนจิตเราไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับอารมณ์ก็คือเนะี่ยเราไหลไปออกไปทางตานะไหลออกไปทางเสียงนะไหลออกไปทางจมูกนะไหลออกไปทางรสชาติที่ลิ้นได้สัมผัสไหลไปตามความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยของกายนะไหลไปเป็นผู้เป็นนะอีกอย่างหนึ่งก็คือไหลไปอยู่ในโลกของความคิดนะ ไปอยู่ในโลกของอารมณ์นั่นแหละคือช่องทางที่เราดงออกไปจากบ้านของเรานไะหลออกไปทางอาจิจันะภายนอกตรงนั้นแหละนะแต่จริงเราก็ถ้าเรามีสตินะอ๋อแค่รู้ว่าใจมันไหลมันก็ไหลกลับมา <c oughs> กลับมาสู่บ้านนะเออเราเผลอออกไปแล้วเนาะออกไปทําไมวะนน่ะกลับมา <c oughs> เหมือนถ้าเราเหมือนถ้าเรา เป็นคนปกติธรรมดานะไม่มีเหตุผลที่ต้องไปตากแดดไม่รู้จะออกไปทำไมก็อยู่ในร่มอยู่ในบ้านเนี่ยเด็ดนะข้างนอกฝนมันตก เ, เราไม่ลงไปเล่นไปไลกับฝนนะแล้วก็อยู่ที่บ้านนะดูฝนตกภายนอกนะแต่ถ้าเป็นเด็กนะสนุกสนานก็ออกไปเล่นฝนนะออกไปวิ่งเล่นตากแดดนะแต่ถ้าเรานะมีวิต ธ, ธิภาวะมิสติอา้าตรงนั้นเนะ มันเปียกตอนนั้นมันร้อนนะจะออกไปทำไมนะล้วก็อยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยจิตก็เหมือนกันเมื่อใ่ที่มันเห็นว่าอาการที่มันไหลไปนะมันเป็นความหลงอาการที่ไหลไปมันเป็นเหตุให้เกิดมันเป็นตัวทุกข์นะมันก็จะกลับมาของมันเองนะคำว่าไหลเนี่บางทีก็ไหล ที่เราคิดว่ามันมันเป็นหลงแบบชัดเจนนะนะเช่นโกรธนะยากมากๆากนะนะอันนี้มันก็ชัดเจนแต่บางทีมันก็มีบางอย่างที่ไม่ไม่ชัดเจนเพราะบางทีเราก็ไหลไปหานะไปแสวงหาอะไรที่มันดีๆเนาะไหลไปแบบอยากจะหาความสุขอะไรนะไหลอยากไปหานะ ธรรมะเอยนะอืมเนี่ยบางทีเราก็ไปหานะไปหาบางคนก็เดินหานะนะเดินทุ ด, ดงก็ดีนะไปปฏิบัติธรรมก็ดีไปเก็บโลกก็ดีอยากจะหานะความสุขมาอยู่ตรงไหนนอนะรอยยิ้มที่ผ่อนคลายมาอยู่ตรงไหนนอนะธรรมะมาอยู่ตรงไหนนอนะเราก็ไปหานะแต่จริง ไปหานอกตัวเท่าไหร่นะหาไม่เจอนะใช่หเนะี่ยอยากจะมีความสุขก็มีความสุขตอนนี้เลยนะนะไม่ต้องไปหาที่นอกตัวหรือบางทีเราก็หนีนะอาศัยการหนีคิดว่าที่นี่มีปัญหาที่นี่มีความทุกข์ที่นี่ไม่ดีนะมาถึงว่าที่นี่ก็คือบางทีบางคนก็ว่าที่วัดบางคนก็ว่าที่บ้านบางคนก็ว่าที่ทำงานนะ ก็คือไม่พอใจในสิ่งแวดล้อมที่เธอเองอยู่ก็อยากจะหนีอยากจะหนีออกจากปัญหาอยากจะหนีออกจากความทุกข์อยากจะไปหาความสุขอยากจะไปหาความสงบแต่จริงคือถ้าเราไปหานอกตัวนะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหรือถ้าเราไปหาในอนาคตนะหาเท่าไหร่ก็ไม่ถึงนะมันยังอยู่ในอนาคตนะ หรือเราจะจะหนีอดีตบางทีก็หนีเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็เงาตามตัวไปแต่จริงถ้าเราแค่รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันนะจิตมันตั้งมั่นในการรู้เฉยๆเนะี่ยมันทุกข์ไหมเนะ่ยสังเกตดูมันไม่ทุกข์ใช่ไหมนะถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ตอนนี้นะจิตมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะถามว่า ความไม่ทุกข์ก็คือความสุขที่สงบนั่นแหละใช่ไหมถ้าเราอยากจะสัมผัสความสุขที่สงบความรู้ตัวเบิกบา น, นจริงก็ต้องเนะี่ยสัมผัสที่ตอนนี้แหละก็ทำที่ตอนนี้แหละมันก็ได้ตอนนี้เลยนะไม่ต้องไปหาตอนไหนนะไม่ต้องรออนะไม่ต้องรอดูอะไรมากไปกว่านี้นะแค่รู้สึกตัวตอนนี้นะจิตมันก็พบกับความสุขสงบจิตเบิกบานขึ้นมา รู้ตัวขึ้นมาจิตเมื่อกี้ที่มันดองคิดที่มันทุกข์มันก็ดับไปลนะเนความทุกข์ก็ดับไปแล้วนะปัญหาก็ดับไปแล้วนะเออไม่มีอะไรละนะนะก็อยู่กับปัจจุบันแค่นะั้นนี่แหละนะเคต็ดับที่สำคัญที่สุดคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะรู้กายนะรู้ใจนะตามที่มันเป็นจริงนะไม่ใช่ตามที่เราอยากจะเป็นนะ รู้มันอย่างที่มันเป็นนะสติเนี่ยเราสร้างนะรูปแบบขึ้นมาก็เพื่อให้มันถ้าตัวอื่นมันไม่เด่นมันก็รู้ไอ้รูปแบบที่เราสร้างนี่แหละแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่รู้แต่รูปแบบนะรู้แต่มือรู้แต่ขารู้แต่ลมตลอดเวลาไม่รู้ส่วนอื่นเลยอันนั้นมันจะเป็นการจ้องเกินไปนะทาไปบางทีรู้ไปอย่างยกมือรู้แต่มือยกบางทีกล่อมตัวเองนะ กลอมตัวเองอยู่ในความนิ่งกล่อมตัวเองอยู่ในความสงบนะเคริมอยู่กับตรงนี้นะบางทีมันเรียกว่ามันเข้าในมากเกินไปจิตมันส่งเข้าในมันเคริมมันโดนกล่อมนะอันนี้ก็ก็ไม่ถูกนั้นตเตารู้นะแต่อย่าไปแนบกับจะจะไปแนบแน่นกับมันมากนะรู้แบบสบายรู้แบบชัดๆนะนะมันก็รู้ตรงนี้ด้วย บางทีอย่างอื่นมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้ของมันนะหรือความคิดก็ไม่ต้องห้ามปล่อยนะปล่อยให้มันเป็นอิสระแต่เราไม่ยุ่งกับมันความคิดก็เรื่องของมันอยากจะคิดก็คิดนะแต่เราไม่ไปคิดกับมันต่อนะแล้วก็ไม่ต้องพยายามห้ามมันนะมันจะคิดก็เห็นมันคิดนะมันไม่คิดก็ไม่ต้องไปสนใจคอยจะดูมันนะ บางคนจะไปหลงเหมือนกันนะไปคอยดูความคิดไปหาว่าจิตตอนนี้รู้สึกอย่างไรคิดอะไรไม่ต้องนะไอ้พวกนี้นะมันเหมือนเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็รู้เองคล้ายๆเหมือนลมกระทบอ่ะเดี๋ยวมันก็รู้เองไม่ต้องไปคอยหาลมมันจะมาจากทิศไหนจะมาเมื่ อ, อไรเดี๋ยวมันก็ทบเดี๋ยวมันก็รู้เองเหมือน ตอนนี้หยุดเมื่อกี้หยุดพูดใช่ไหมมันไม่มีเสียงก็ไม่ต้องคอยหาเดี๋ยวมาพูดเองมันก็ได้ยินเองนี่แหละเอี่ยบางทีจิตมันก็พูดในใจเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ดูเองนะมันก็ไม่ต้องหานะมันเกิดขึ้นมาเราก็ค่อยรู้ทันนี่แหละนี่ยคือเราพยายามอยู่กับปัจจุบันนะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยจิตมันก็มันก็ไม่ทุกตอนนี้แล้ะเนี่ย การไม่ทุกตอนนี้แหละก็คือทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมเลยนะบางทีมีนักปฏิบัติธรรมนะนสงสัยอา้าไม่ทุกแค่ตอนนี้มันพอเหรอามาว่าพอาพอเพียงพอเลยแค่นี้แหละอนาคตบางคนก็คิดกลัวอนาคตมันจะทุกนะเพราะว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเจอปัญหาในชีวิตอีกมากมาย แต่ถามว่าตอนนี้มันอนาคตมันเกิดขึ้นได้ยังนะมันยังไม่เกิดแต่คิดกลัวคิดกังวลเนี่ยมันเกิดขึ้นเลยตอนนี้ถ้าเราจะดับทุกเนี่ยที่เรากังวลในอนาคตเราก็ต้องดับตอนนี้ใช่ไหมกลับมารู้สึกตัวสิเนี่ยมันก็มันก็ดับไปละทีละขณะเนี่ยดังนั้น อ, อทุกในอนาคตไม่มีจริงนะทุกในอดีตก็ไม่มีจริง มันมีจริงแต่เราลงไปปรุงแต่งเราไปย้อนคิดเรื่องราวในอดีตมาปรุงแต่งมันก็เจ็บใจตอนนี้นะเราไปกังวลเราไปกลัวนะอนาคตแล้วก็ทุกตอนนี้ไม่มีทุกในอดีตไม่มีทุกใ น, ในอนาคตมีแต่ทุกในปัจจุบันการดับทุ ก, ก็เหมือนกันการดับทุกไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคต การดับทุกข์ก็มีแต่ในปัจจุบัน <c oughs> นะหรือความสุขก็เหมือนกันนะความสุขในอดีตนอะมันก็ผ่านไปแล้วความสุขในอนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นนะเราดึงความสุขในอดีตอนะมาก็ไม่ได้นะแต่บางทีเราทำบุญเราทาดีแล้วเราแล้ลึกถึงมันมีความสุขขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยมันเป็นความสุขตอนนี้นะ <c oughs> แต่มันอาจจะผลจากการกระทำในอดีตใช่ไห ม, มหรือบางทีเราวาดฝันวาดแผนที่สวยงามเป็นความสุขไอ้ความสุขในอนาคตยังไม่เกิดเลยนะแต่เราก็แต่เราได้รับความสุขในตอนนี้นะตอนนี้อย่างเมื่มาได้ข่าวอย่างบางทีบางวัดเนาะมาก็ว่าเออมันก็ดีอีกอย่างนะบางทีบางคนก็อาจจะมองเป็นเรื่องแบบเป็นอีกแบบหนึง่ง อย่างบางวัดเขาบอกว่าเขาจองกระถิน่นบางทีเนี่ยจองปีนี้นะต้องรอทอดอีกสองร้อยปีกระถิ่นมีทอดปีละครั้งใช่อืมตัวเองจองไว้ไม่ได้ทอดดอกลูกหลานได้ทอดแต่ลูกหลานจะอยู่ทอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอแต่มาว่าเออ ม, มันก็เป็นความสุขนะได้จองไว้ก่อนให้ลูกหลานนะยังไม่ทันตัวเองจะได้ทอดวัดนี้นะ แต่แตัวเองก็มีความสุขได้มันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่ดักคือความสุขนะบางทีเราตั้งใจทำดีเราก็มีความสุขแล้วนะบางทียังไม่ได้ทำนะแต่มันได้ทำที่ใจไปก่อนนั้นความสุขจริงๆมันก็สัมผัสที่ตอนนี้นะความทุกข์จริงๆมันก็เกิดตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนตอนนี้แหละนะเปลี่ยนจากสุขนะเป็นเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุขนะ แต่เป็นสุขแบบรู้ตัวเนาะอย่าเป็นสุขแบบแบบลอยหรือว่าจมเนียเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้ตัวนะอันเนี้ยเราก็ทำตอนนี้พอเลยนะเราอย่าไปกลัวอะไรละนะเราได้เครื่องมือได้กุญแจสำคัญเปลี่ยนทุกข์ตอนนี้เลยนะเมื่อกี้ไปสอนคนจีนนะที่ปากช่องอามวิยาธรรมนะมีนักปฏิบัติธรรมบางคนเนียแบบ ใหม่ๆสิ่งๆเลยนะแบบไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้อะไรเลยสินห้าก็ไม่รู้จักบออเออมาก็บอกเอาเอาศินตัวเดียวเอาตัวสตินี่แหละ <c oughs> เขาก็เออเขาก็บอกจะเอาเร่องนี้นะบอกเพราะว่าสินห้าก็ไม่รู้จักเนะเามาก็ขี้เกียจอธิบายเหมือนกัน <c oughs> ไม่ต้องอธิบายเอาสติตัวเดียวนะ <c oughs> ตอนใหม่ๆมาปฏิบัติธรรม เขาไม่เข้าใจมาปฏิบัติทำทำไมนะทำทำไมนะแต่พอวันดังนะเขาบอกเขาก็อยากจะกลับมาอีกนะปฏิบัติอีกมาก็ถามว่าทำไมทำไมถึงอยากกลับมาอีกนะเขาก็ทำท่าคิดนิดนึงแล้วก็แล้วก็พูดประมาณว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แล้วก็พลิกมือให้ดูแต่พอพลิกมือแล้วมันคล้ายๆมันสบายประมาณน่ะ พลิกมือแล้วแบบความสงสัยมันก็หมดไปคล้ายๆก็ไม่รู้ว่าตัวเองว่าทำไมถึงถึงอยากมาอีกแต่แต่เหมือนแค่พลิกมือเฉยๆเหมือนเหมือนได้คาตอบ เ, ออเขาอาจจะเออพอแต่เขาก็เคยเลาอยู่ตอนนั้นบางทีบางครั้งก็สงสัยอยากจะถามแต่บางวันบางทีไม่ได้มีโอกาสให้เขาได้ถามนะเขาก็สงสัยแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยอ้า ความสงสัยมันก็หายไปเขาก็สัมผัสตอนนี้เออที่จริงความสงสัยความทุกข์ใจบางทีพอเราปฏิบัติไปมันก็มันก็หายไปของมันได้เองเนาะ <c oughs> มันก็เลยเหมือนเป็นปัจจิตังเนาะดูได้ได้วยตัวเองบางทีไม่มีเหตุผลนะ <c oughs> ไม่มีคําตอบเป็นเป็นภาษาแต่พอแค่สัมผัสกับความรู้สึกตัวเฉยธรรมดามัน มันสัมผัสได้กับความสงบเนาะความร่มเย็นความสุขใจหรือว่าความไม่ทุกข์ใจ น, ะนี่ยมันก็ต้องทำที่ปัจจุบันนะแต่ทำอย่างนะอย่าไปเพ่งจ้องนะทำด้วยความสบายทำด้วยความผ่อนคลายนะทำด้วยความสุขที่ได้ทำนะอย่าทำเพราะว่าอยากจะได้อะไรนะบางที ต้องสุขที่ได้ทํานะอย่าไปบอกทําไปเพื่อหวังความสุขในอนาคตนะหวังว่าสักวันหนึ่งนะจะได้ดูนั่นดูนี่เป็นนั่นเป็นนี่ได้นั่นได้นี่อันนั้นทําแบบนะเรียกว่าไปคาดหวังเนาะแต่ถ้าเรามีความสุขในการทําเนี่ยจบเลยนะทั้งการปฏิบัติธรรมนะทั้งการใช้ชีวิตก็เหมือนกันนะอืม เราใช้ชีวิตนะ่ะเราทำดีกับคนอื่นเนี่ยพอเลยนะ่ะไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะขอบคุณเราไหมนะ่ะเขาจะนะ่ะเป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่าไม่ไม่ไม่จะเป็นนะนะทำดีก็ดีละจบเลยนะ่ะมาโอ้หลวงพ่อเทียนนะสอนตรงมากทำดีดีทำชั่วชั่วนะ่ะใช่ นะแต่คนคนส่วนใหญ่บางทีทำดีต้องได้ดีนแะต่พอไม่ได้ดีก็ไปโทษว่าทำดีแล้วไม่ได้อะไรนะทำดีแล้วไม่เห็นดีเลยนะเ อ, อทำบุญแล้วไม่เห็นได้บุญเลยไม่เห็นอะไรเลยเพราะจริงๆเราไม่เห็นความดีในตอนที่ทำดีเราก็เลยไปหาความดีที่ข้างนอกนะเราไม่เห็นความสุขในตอนที่ทำดีนะเราก็คิดว่าความสุขมันต้องได้อะไรมานะ แต่จริงทําดีแล้วก็ดีลนะมีความสุขลนะทําชั่วมันก็หลงไปแล้วนะก็ทุกไปแล้วแต่ถ้ามีสติก็เปลี่ยนใหม่นะอ๋อเมื่อกี้มันหลงเมื่อกี้มันพลาดไปอะ่ะไม่เป็นไรทําดีใหม่ตั้งสติใหม่อะ่ะจบเลยนะดังนั้นไม่ว่าจะหลงนะหลงไปโกรธหลงไปโลภหลงไปหลงอะ่ะผ่านไปแล้วก็ช่างมันเนาะ ตั้งใหมนะ่ตั้งสติขึ้นมาใหม่นะทำทำเหตุพอใจในการทำเหตุมีความสุขที่ได้รู้สึกตัวนะมีความสุขที่ได้ทำความดีมีความสุขที่ได้ละความชั่วมีความสุขที่ได้ละความหลงมีความสุขที่ได้ละความหลงไปคิดนะพอเลยนะนี่คือปฏิบัติธรรมมันง่ายนะ มันทำแค่อย่างเดียวทำแค่อย่างเดียวเนี่ยแหล ะ, ะทำความรู้สึกตัวอย่างเดียวทุกอย่างจะเกิดขึ้นของมันเองนะไม่ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้นะอันนั้นก็เลยบอกคนจีนว่าเอาสติตัวเดียวเนี่ยแหละนะเพียงพอนะทุกอย่างเพียงพอและ้วะกลับไปที่บ้านก็เอาเนี่ยเอาได้สติกลับไปเป็นของฝากที่บ้านแล้วกันนะนักพวกเราเองน่ะ บางคนก็อาจจะกลับบ้านก็เอาความรู้สึกตัวสตินี่แหล ะ, ะเป็นของฝากที่มีค่านะกลับไปบางคนไม่ไปไหนก็เอาสติฝากไว้กับใจของเราเนี่ยแหล ะ, ะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับการพูดการทำการคิดเนี่ยแหล ะ, ะมันก็เป็นของฝากให้กับตัวของเราเองนะของฝากให้กับคนที่เราเกี่ยวข้องนะที่มีค่าที่สุดเนาะก็อนุโมทตกับ นะพวกคุณเจ้าทุกท่านญาติโยมทุกคนเนาะที่ได้มาภาวนาได้มาทำวัตรร่วมกันเนาะก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าถึงนะความสุขสงบความไม่ทุกข์ในตอนนี้นะแวก็ทุกๆตอนที่เราใช้ชีวิตนะสาธุอากาศพระกันครับ